เพียงชิ้นห้าเท่านั้นจะสะดวกแล้วโลกนอนก็ลักตาเพราะไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรยอยู่รอบข้างถ้าบริบูรณ์ชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายกฎหมู่กฏพระกฏพวกก็ไม่จำเป็นจะบัญญัติแห้มากเพราะท่องลำบากเท่านั้นมาตาเท่านี้มาตาตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านคุกก็ไม่ต้องมี ตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีชาวโลกจะสนุกมากสมบัติของชาวโลกห้าประการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อก ร, รมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาเศษบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสน า, าเท่านั้นชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและเล่นจากวิบัติห้าประการซึ่งวิปัสสนคสมบัตินั้นซึ่งตรงกันข้าม ทำสอนดีที่สุดเพราะบรมศาสดาก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่พูดเฉยๆทั้งในผลด้วยคุ้มค่าทมของขาราวาดสี่สัจจะสัต์ซื่อแก่กันธรรมะรู้จักข่มกิตของตนขันตีอดทนกาคะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างอยาตนนีเกินไปนะั่ง สังฆาวัตถุสี่อย่างท่าหนะสิ่งของของตอนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปิยะวาจาวาจาที่อ่อนหวานอัตเจริยาประพฤติถิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมาณาตาเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวคุณที่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของท่านผู้อื่นไว้ได้นั่นสุขของเครื่องหัสสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภค ซุกเกิดแต่ประกอบการงานที่ปาสิากาคโทษซุกเกิดแต่ความมีทรัพย์ซุกเกิดแต่จ่ายทรัพย์ บ, บริโภคไม่ฝืดเครืองนักไม่ฟูมไฟนะักซุกเกิดแต่ทำงาหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ และทำงานที่ปฏิจากติโทษถึงสุขเหล่านี้จะมีอยู่ก็จริงแต่ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังอีกเกิดขึ้น้วกกแปรปวนในแต่สานถึงหามาได้โดยทางที่ชอบก็ยังเป็นสังขารอยู่ยิ่งหามาในทางที่ไม่ชอบแล้วก็ยิ่งไม่เป็นสุขสุขของมันมชิตสุขถึงพระโสดาบัน ทุกถึงพระสกทาคามีถึงพระอน า, าคามีทุกถึงพระอาหารหันต์นั่นทุกในทางโลกุตละคำสอนใดๆในใจโลกธาตุจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยสอนจิตสอนใจของมนุษย์และเทวดามารพรมจึงทรงพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนได้ทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงไม่จนมุมแต่ใครจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามเหมือนกับฝนพอถึงค่าตกก็ตกใครต้องการน้ำจะเอาหรือไม่เอาก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องการไม่ได้บังคับสุสังและประเทปั ญ, ญัง ผู้ฟังดีย่อมได้ปัญญาจินตามายะปัญญาผจนารณาเหตุผลภาวนามยะปัญญาก็เหมือนกันสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะฟังแล้วมาิจรณ า, นาแล้วไม่หายกินทางคัดคาดแล้วก็ไม่หายกินทางอนุโมทนา ให้มีสิทธิจารณาขั้งพุทธการไมห่หากินทางคดค้าดเมื่อให้หากินทางอนุโมทนาปล่อยให้พิจารณาเหตุผลเอาทำเป็นแว่นเรียกว่าเยพุยศิกาเยพุยสิกาคนมาก เห็นพรอมกันสักเพียงใดก็ตามก็ต้องเอาธรรมวินัยมาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกพิสูจน์สามเณผู้ประพฤติไม่ดีจะเรียนจบพระใจปิฎกท่านก็ม่ให้มาออกคะแนนเสียงพเพราะลงมาศาสาเพราะประพฤติไม่ดีแต่ทุกวันนี้พวกเราตรงขันข้ามมันก็ลำบากใครต้องการคะแนนเสียงมากก็จ้างเอานะัก มันก็ลำบากเหตุเฉะนั้นจึงมันจึงเป็นปัญหาโลกแตกกันอยู่ทุกคนทุกแห่งพระอาจารย์องค์หนึ่งเถียงกันคนหนึ่งองค์หนึ่งได้มหาเจตปอยู่องค์หนึ่งเป็นพระฝ่ายปฏิบัติท่านกรเน่นทอะไรไม่มองดูโลกเขามันไม่ทันกับโลกเขา ถ้าอาจารย์ขอนทำอะไรไม่มองดูทำเลยแล่นไปตามโลกเขาโลกเขาพาตกเหวก็ตกไปหมดตกลงอันมีเหตุผลก็อยู่ตกอยู่กับผู้น้อยโลกเขาพาไปไหนก็ไปหมดไม่มองดูทำเพราะโลกมันมีกิเลสมากท่านอาจารย์ทราบไห ม, อมเอาตามของคนมากเป็นประมาณถ้าคนมากพาไปตกเหวเขาไปหรือ ทนายจางถ้าอย่างนั้นก็ที่พึ่งของตัวไม่มีเป็นโลกาธิปไตายเล่นไปตามโลกไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเล่อนไปตามธรรมถ้าไม่มองดูธรรมาธิปไตยของพระเวร์มศาสาดาแล้วไปไม่รอดผู้น้อยอ ธ, ธิบายเทศน์ให้ฟังอัตราธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่เมื่อตนจิตใจอยู่ระดับต่ำที่นี่ จะเอาความเห็นของตนฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกไม่มองดูธรรมวินัยเ mm. ชื่อแน่แล้วหรือว่าติ้นกิเลสของตนมันหมดไปแล้วจึงจะยืนยันแต่อาตาธิปไตยแท้ mm. ไปไม่รอดผู้น้อยอ ธ, ธิบายเทศ่อให้ฟังอาตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่เมื่อตอนจิตใจยอยู่ระดับต่ำจะเอาความเห็นของตนฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกไม่มองดูธรรมวินัย เชื่อแน่แล้วหรือว่าจินจิเลตของตนมันหมดไปแล้วจึงจะยืนยันแต่อาตาทิปไตยแท้ธรรมาทิปตไตยมาเข้าข้างข้างโลกไม่เข้าข้างบุคคลเป็นทาตรงเลยคาสอนของมบรมัสสัดทศ า, ธธธาคล้ายๆกับว่าบรรทัดที่ขึงตึงแล้วไม่มีที่พตเดินผ่านศูนย์กลางขอบโลก ถ้าจะเทียบใส่นี่มันก็หยาบเกินไปเพราะกระถูนเดินผ่าทุนกลางเลยโลกขั้นสอนของโลกมักจะเดินวนนี่มักจะเป็นว่าเสื้อขาดเป็นส่วนมากผู้ตั้งกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกไม่มองดูธรรมของพบรมศาสดา มันก็จะสายก็จะบ่ายก็จะค่ำค่าคือตายพอรู้ตัวก็ตายพอรู้ตัวก็บ่ายก็ค่ำค่าคือตายสิ่งไหนที่ปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนามากก็ไม่ควรนิยมส่งเสริมกันจึงจะไปรอดถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดกิจติธรรมเนก็เหมือนกัน ใครๆก็เหมือนกันหมดทเทวดาบันพมก็เหมือนกันหมดคนเราทำอะไรชอบเข้าข้างตัวไม่เข้าข้างทำกูได้มึงไม่ได้ก็ช่างหัวมึงกูอี๊มท่องเป็นพอมันไปกันแค่นี้เพราะความเมตตาไม่มี ความการุณานกันไม่มีเหียงชินหะเท่าทนั้นโลกสงอบแล้วถา้าไปอินศินหะไปที่นี่พระพุทธศาสน า, า, ส า, าเป็นาศาสน า, าการบ้านการเมืองจึงทรงพระนามว่าโล ก, กวิถูจึงทรงพระนามว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นาศาสต า, าแต่พิสุสัมเนธเท่านั้นก็ไม่ได้ว่า เป็นศาสดาแต่ทางศาสนาเท่านั้นก็ไม่ว่าทังทางโลกด้วยทังทางขรหัสหดด้วยเทวดามารพทมทุกท่านทุกวันละนะในระหว่างผัวเมียพรอเรามาศาสดาก็าสอนไม่น่าจะเอาไปสอนก็สอนถ้ามันไม่เรียบร้อยมาจากนั้นถึงแม้ว่ามาบวมมันก็ลําบากจะสอนธรรมชั้นสูงอีกด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดู ม, มันมิ ด้วยแม่ประพืดร่วมใจด้วยมอความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนะสามีส่วนภรรยาจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีเมื่อมีคนข้างเคียงของผัวมาอย่าบูดบึง้งมีน้ำก็ตักให้เขากินมีผู้รีก็ให้เขาสูบมีข้าวก็ให้เขากินเป็นต้นสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ไม่ประพฤติร่วงใจผัวกินความข่วงอรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาใดได้ไหวขยันไมเกียรติข่าในกิจการทางปวงนั่นเพื่อนกับวัดจกักรเถ้ามันกับของปรถือกานหวยกับ่ารางพระเขากับพรท่นะ่ไทยได้ไปสอนดีปันพระพุทธเจ้าใครก็ไม่สอนดีปันพระสมมา็จพ ร, รพุทธเจ้าในระหว่างเมดามารดา ก, ก็สอน สอนลูกท่านในเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อบทำกิตธุระของท่านดําลงวงศตระกูลประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านลงรับไปแล้ว ท, ทําบุญอุทิศให้ท่านนั่งเราประพฤติตนเก่งเมล็ดจะให้ท่านแบ่งสิ่งของไร่ก็ให้แบ่งให้นาก็ให้แบ่งให้เดี๋ยวมันเอาไปเล่นการพนันหมดนั่นประพฤติไม่สมฐานะที่ปิดามันดาจะแบ่งของให้ ในระหว่างบ่าวกับนายพระบรมศสาสดาก่อสอนลุกขึ้นการทำการงานก่อนนายสี่โมงเช้าห้าโมงเชาไม่ลุกมันก็ไม่ถูกหกโมงเช้าเจ็ดโมงเชาไม่ลุกไม่ล้างหน้าอีกช่ด้วยลุกขึ้นทำการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนาย ถือเอาแต่ของที่นายให้นั่นนี่เพราะนี้ก็สำคัญเหมือนกันบางท่านก็รักเอาจอบเอาเสียมไปสารพัดทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปเสริมเสริญในที่นั่นั่นั่นถ้าบ่าวประพฤติอย่างนี้แล้วนายทำไมจะไม่รักส่วนนายที่นี่จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังอยางให้เรือวิสัยนัก ให้อาหารในรางวันยาตนีเวลาเก็บไข้ลงก็พยาบาลในเวลาเก็บไข้ตามสติกำลังได้อะไรมาแกกของมีที่แปลกประหลาดให้กินด้วยอย่าไปซ่อนจินคนเดียวมันเป็นไม่เป็นเครื่องเหนียวใจของเขานั่นถ้าบาวก็ประพฤต ถูก5้าข้อนายก็ประพฤติถูกห้าข้อฉะนั้นจะรังแกกันในระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์พระบรมศาสดาก็สอนด้วยลูกขึ้นยืนรับด้วยขับไปยืนคอยรับท้ายด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศีลปะวิทยาโดยเคารพนั่นส่วนอาจารย์หนึ่งแนะดำดีสองให้เรียนดี 3. บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่เป็นบางอัมพลางสี่ตอนไหนที่ทำถูกก็ยอกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าทำความป้องกันในทิศ ท, ทั้งหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้ใหอดอยากนถ้าเป็นพระภิกษุษสงฆ์จะไปในทางไหนก็ให้ข้ารถข้าเรือหรือสั่งหรือสอนให้ดีจะไม่ได้เสียในที่นั้นเช่ น, นพระบรมศาสด า, ามีคน มีพระภิกษุสามเณรลาไปเที่ยวองค์ท่านให้บอกลากับเราแล้วก็ดีและให้ไปลาสารีบุตรโมกขลาอีกเนอเพราะท่านมีอุบายส่างสอนช่วยจะท้าขดดีจะไม่ได้ไปเสียในที่นั้นๆเรียกว่าจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้อดอยากในระหว่างมิตรนี่พระบรมศาสดา ก, ก็สอน มิทธะสี่จำพวกมิมีอุปการะมิร่วมสุขร่วมทุกขมิตรเนะประโยชน์มิมีความรักใคร่มิมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้ะมาทแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ะมาทแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พื่อทำนักได้เมื่อมีทุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาสองมิร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรับของตนแก่เพื่อน ปิดความรักของเพื่อนไม่ให้แพลงพายไม่ละทิ้งในยามืิบัติแม้ชีวิตก็อาศระแทนได้มิตรนประโยชน์มีลักษณะสี่ห้าไม่ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามบอกทางสวรรค์คือทางสุขให้มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบ มิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรสี่จำพวกไม่ควรครบ 1. หนึ่งคนปอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางชีบหายมิตรสี่จำพวกนี่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบมิตรปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก สามามีภัยแก่ตัวจึงรับทาจิตธุระของเพื่อนสี่ขอบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์เขาตัวสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่เก็บเอาของลุงแลงมาปลาใสอ้าวเอาของที่ยังไม่มมาปลาใสสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ออกปากพึ่งไม่ได้มิตรปอกก็อ๋อคนดีแต่พูดมีลักษณะสีล่ละ คนปอกลอกมีลักษณะสี่จะทำดีก็คอยตามจะทำชั่วก็คอยตามตอนหน้าวาสนะเสริญรับหลังตังเนินทามิตรสี่จำพวกนี้ไม่ควรครบพระบรมศาสต า, า, า, า, าบอกหมดเ่ยบางคนบอกว่าไม่กินเหล้ามันคบมิดไม่ได้เออมันเสียสังคมเอามาอ้างเสมอเสมอ ส่วนดื่มหน้าเมามิดมิดสักส่วนในทางชี้ภายมีนักสนสี่สักส่วนดื่มหน้าเมาชักส่วนเที่ยวกลางคืนชักส่วนให้มัวเมาในการเล่นชักส่วนเล่นการพนันมิตรจาพวกนี้ไม่ใช่มิดเป็นแต่คนเทียมมิดสอนไปหมดใครจะไปสอนเก่งเท่าพอบรมศาสด า, า, าไม่เมดออกนี่คือซัมเานีนก็สอนเหมือนกันอันตรายของพิษซัมมานีนผู้บมดใหม่คืออย่าง อดทนต่อคำ ส, สอนไม่ได้เบื่อต่อคำ ส, สอนขี้เกียจทำตามเป็นคนเห็นแก่าปากแสทองทนความอดอยากไม่ได้เพลิดเพลินในการมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสีรักผู้หญิงพิถีพิถมนเณนผู้หวังเจริญแกต่ตนระวังอยาให้อันตรายทุอย่างนี้ย่มีได้นั่นมีแต่ทำสดจดไม่มีกระดูกเลยเราจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เท่านั้น เราปฏิบัติไม่ได้กพาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของท่านบกพรองไม่ใช่คำสอนของพระบรมศาสด า, า, า, าบกพรองสอนเพื่อให้คนทุกในวัดได้สงสารที่นี่โดยง่ายที่นี่สอนในภิกกรณาด้านภาวนาให้ภิกกรณาความตายบ้างให้ภิจกรณาพุโทโธบ้างให้ภิกกรณาธรรมโมบ้างให้พิจกณาสังโฆบ้าง ซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันพิจาณาพุทโธธโมสังโฆก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันเพราะเป็นเชือกสามเกลียวเพื่อมาให้อากาตาณ์ดูสอนในพิจณาอสุภะว่าภาวนาเพื่อจะมาให้หลงหนังมันเป็นจริงยังไงอสุภะเนี่ยพวกเราเรียกว่ามันสวยมันงามมันสวยมันงามจริงหรือสกปรร่างกายพิจรณาให้เห็นชัดนะแยกธาตุสีวินาศไฟลมออก สกุลละกายเปื่อยเน่าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนที่นี่เราก็ฝืนว่ามันเป็นของสวยอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นสกลละกายเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายแล้วก็ลืมตัวไปเสียวันหนึ่งก็ไปนึกถึงความตายมาถึงตนนั่นไม่นึกเห็นอสุภะอสุภังเสียเลยเหตุฉะนั้น กิเลสและความหลงมันก็กําเหลบทีนี้คำสอนที่รวบมัดทีเหมือนนักมวยที่แข็งแกร่งทีนี้กอดเลยกล้ำกันเลยดีก็ดีไม่ดีก็ลงตูมนับทิพย์ก็ไปลุกละถ้าลงไม่ถูกท่า ได้ใในโลกล้วนอันนิจจงได้ใในโลกล้วนทุกขังได้ใในโลกล้วนอนัตตาเธอทั้งหลายจงพิจารณาให้ตามเป็นจริงเถิดพ่ออมกัำลมหายใจเข้าออกเน mm ื hmm. ้อจิตใจของพวกเธอทั้งหลายจะเบื่อน่ายคลายเมาในวัฏฏะสงศารจะได้ไ ม, มามาเกิดแก่เก็บตายนในวัฏฏะสงศารนี่เอง mm hmm. คำว่าใดใดในโลกล้วนอันนิจจง mm hmm. โลกภายนอกก็ดีภายในก็ดีที่อย่างที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบ โรคแบ่งเป็นสองทายอ์ลงเป็นสองสิ่งที่เป็นรูปเห็นด้วยตาก็เรียกว่าโรคหรือเรียกว่ารูปประธรรมหรือเรียกว่ารูปประโรคสิ่งที่มองเห็นด้วยปัญญาก็คือนามนามังแปลว่าชื่อมันเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตวิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกลี่ยนกายใจที่ส่ง ทำมาลมที่ส่ง ม, มาหาใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกาแฟปวแ้วนได้แต่สลายเน้อมีนเป็นธรรมชั้นสูงท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้เห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกตลอดถึงกณะเจตสิตที่นักคิดเกิดขึ้นแล้วกแ็แปรดับกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำมันนี่จะทําให้ท่านทั้งหลายเบื่อหน่ายคลายเมาทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยจะได้ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาทองสาร ส่วนสมาอาชีวะเรื่องชีวิตชอบเราสอนบริบูรณ์แล้วพวกท่านปฏิบัติให้ถูก mm hmm. แล้วพี่ก็น่าทำชั้นนี้อีกเพื่อจะตัดความสงสัยในโลกท่องปูในความเป็นอยู่ของท่านทั้งหลายที่ต้องเที่ยวมาเพราะมีกิเลสอยู่จึงมาท่องเที่ยวในวัตตาสงสารถ้ากิเลสไม่มีก็ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเพราะความหลงมีมาด้วยความโลภความโกรธความหลง เพรยังสงสัยยังว่าดีอยู่ถ้าหากว่าเห็นโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณหรือกองนามรูปทั้งหลายที่ละเอียดก็ดีที่หยาบก็ดีที่ประหนิดก็ดีเกิดขึ้ น, นได้ก็แปรปรวนได้แต่สลายไม่จกเสียนเลยนาฬิกาก็ยังมดฐานเป็นหรือต้องได้หมุนอีกนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอยู่ไม่มีกํางวันกลางคืน เธอทั้งหลายจะเห็นหรือมาเห็นก็เป็นจริงเหวียงนั้นถ้าหากว่าเป็นจริงเหวียงนั้นเป็นหน้าที่เธอทั้งหลายจะต้องพิจารณาให้เห็นมิฉะนั้นแล้วเธอทั้งหลายก็จะได้หลงอยู่ในวัฏสงสารอีกนานเน้อ น, นะเพราะคนเราไม่เหมือนต้นไม้เพราะมีกิเลส ต, ต้นไม้ไปฟันมันมันก็ไม่ผูกเวรและไฟเผามันมันก็ไม่ผูกเวรจะเทียบต้นไม้กับมนุษย์ก็เทียบได้แต่เฉพาะ มันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก่มันจะหักสะโคดลงเท่านั้นส่วนมนุษย์กิเลสมันม่มันมเหมือนต้นไม้ ม, มัเหมือนแผ่น ด, ดินร่วนๆเรื่องกิเลสเป็นเรื่องสำคัญธรรมะเท่านั้นจะทำลายกิเลสได้ธรรมะในทางภูมิทัศนาเท่านั้นน้มเท่านั้นจะอาบจะสงให้ของสกรปรกโคลงมุมออก ธรรมะของพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะลบล้างความหลงให้เบาบางเลยเถิดให้หายไปคือข้อวัดปฏิบัติที่เราบัญญัติไว้นี่เอง mm hmm. จิตใจไม่มีตัวมีตนก็จริงแต่ว่ามีธรรมะปฏิบัติเพื่อลบล้างไม่ให้โลคไม่ให้โกรธไม่ให้หลงทวีขึ้นจนหัวแทงหายไป ธรรมะชันสูงขึ้นไปตามฐานะของบุคคลผู้ปฏิบัติมาผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจัสงสารถ้าเห็นภัยในวัฏจัสงสารอย่างเต็มที่แล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นของเหลือวิสัยถ้าหักเพลินในวัฏจัสงสารอยู่ไม่ยุดไม่หย่อนอย่างเต็มที่แล้วไม่เห็นภัยเสียเลยการปฏิบัติก็ฝืดเหมือนภายเรือโต้น้ํา นอกจากทุกข no okay. okay. no ์มัมีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์มัมีอนไรจะแปรปรวนนอกจากทุกข์มัมีอนไรจะดับไปทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละแปรปรวนทุกข์เท่านั้นแหละดับไปอันนี้จังเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอันนี้จังเท่านั้นแหละแปรปรวนอันนี้จังเท่านั้นแหละดับไปสังขารเท่านั้นแหละเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแหละแปรปรวนสังขารเท่านั้นแหละดับไปนอกจากสังขารมัมีอนไรจะเกิดขึ้นนอกจากสังขารมัมีอนไรจะแปรปรวนนอกจากสังขารมัมีอะไรจะดับไป นอกจากทุกข์มามีอันใหนจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์มัมีอันใหนจะแปรปรวนและดับไปทุกข์ตอนนั้นจะเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นจะแปรปรวนระดับไปวนเป็นรอบๆติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดจงพิจารณาตามเป็นจริงเถิดจงรุ้พ้นจากความหลงตามเป็นจริงเถิดนั่นทำชั้นสูงถ้าเห็นพ่อมกับลมเข้าออกยิ่งดีให้เห็นพ่อขมกับขณะจิตที่นึกคิดยิ่งดี เราตถาคตหาความสุขในโลกมาหลายภพหลายชาติแล้วเมือพระริยาเจ้าทั้งหลายก็หาความสุขในโลกมาหลายภพหลายชาติแล้วมันไม่เจอมันไม่เจอะมันไม่เห็นมันไม่พบมันไม่ปะเท่าเม็ดงานเม็ดพันประกาศเลยถ้าว่ามันเจอมันเจอะมันพบมันปะเราตถาคตก็ไม่มีอุบายที่จะดึกงมือนายความหงของตนได้นะพระริยาเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันนะ เพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่จะสมประสงค์หรอกทูกสูสทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาเอย๋ยถ้ากายของเราเองก็ไม่สมประสงค์เสียแล้วไม่ต้องการแก่ก็แก่ไม่ต้องการเจ็บก็เจ็บไม่ต้องการตายก็ตายเยายากันอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนหายใจเข้าออกก็เยายากันอยู่เป็นของธรรมดาก็จริงแต่ว่าเป็นของแต่เป็นธรรมดาทุกไม่ใช่ธรรมดาสุข ปฏิบัติกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบรรเทาพอบรรเทาเท่ า, น, ทาทนั้นเนื้ออาหารก็ทานอาหารเพื่อกันหิวเพื่อบรรเทาหิวบรรเทาช่อข่าวเดี๋ยวก็หิวอีกนั่นคืออะไรผลของมันก็คือทุกันเองปวดอุจจระปัสสวะก็ต่อไปปวดเทียก่อนยังไปคำว่าปวดก็แปลว่าทุกข์ คำว่าหนาวก็ เ, เรียกว่าใช้คำว่าหมาเหตุว่าทุกพอดีในวัดจ้าสงสาร ม, มีดอกจงพากันเบื่อหน่ายคลายเมาในวัดจ้าสงสารเสียนู้นวิญญาณปฏิสนธิของท่านทั้งหลายจะไม่ไปจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งจิตใจก็จะเองไปโอนไปน้อมไปในทางที่ไม่เกิดแก่เก็บตายนั่นคือหนทางเปิดประตูพระนิพพานคือเปิดประตูไปหาความเย็น ความดับกรนิจจงพิจารณาเรื่องเถิดภาวิตาพระองคีกรตาทําให้มากสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะโพธยยิญาจะถึงโพธิญาคือญาณชนะความหลงของตนเรียกว่าโพธิญาเรียกว่าสาวกโพธิญาสมาสัมพุท ธ, ธโพธิญาพระเกศ ก, กโพธิญาสาวิกาโพธิญา พุทธญาณสีจ่จำพวกหรือพุทธสีจ่จำพวกสมาสัมพุทธพระเจกพุทธสาวิกาพุทธสาวกพุทธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้รู้พ้นจากกิเลสพ้นจากความหลงของตนเรีกว่ผู้รู้ปริญญาตามเป็นจริงรู้แล้วปริญญาตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงก็จะรุดพ้นจากความหลงของตนทมเป็นจริง ธรรมที่อาศัยเหตุผลเป็นธรรมที่เกิดที่ดับเด้อแต่อาศัยเหตุผลแยกออกเป็นสองอาศัยเหตุดีผลดีอาศัยเหตุชั่วผลชั่วเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเหตุดีผลดีนั่นเถิดเมื่อเหตุดีผลดีเต็มแล้วเหตุชั่วผลชั่วหาคลายไปเองเมื่อละเหตุชั่วผลชั่วพอแล้ว ก็เรียกว่าจเจริญเหตุดีผลดีไปในตัวนั่นมีความหมายอันเดียวกันถ้าเว้นจากบาปพอแล้วก็เรียกว่าสร้างบุญอยู่ในตัวถ้าสร้างบุญพอแล้วก็เรียกว่าเว้นจากบาปอยู่ในตัวนั่นมีความหมายอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายรับตนรับใจรับธรรมแล้วจงสร้างแต่ความดีใส่ตนใส่ใจใส่ธรรมนั่นเถิด กา้กับธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันอาหารทุกที่โตโฮมิเพราะเราอยากได้มีทุกเถิด